ข้างเรากพลังวุ่นวายว <c oughs> ันนี้นมันไปเทนกานศบกลับมาถ้าในงานคนตายมว่างานคนเป็นมรณานู้สติเป็นมรณะรุ้นนสึกว่าพวกเราก็เหมือนกัน ร่างกายวัดวานธาตาเปรตง่ายๆเพื่อชัดเจนอื <c oughs> วัดเราสมมุติว่าวัดเรานะเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งพวกเราผู้อาศัยผู้จวมาทั้งกรรมะพระเนรยัดโยมอะวุธพวกน ốc, วกโปก ทังลายแหล่ที่มาอาศัยพึ่งพาไปบุญกับต้นไม้ต้นนี้จะเรียกว่าต้นไหนก็แล้วแต่จู่ๆแล้วก็ต้องช่วยกันช่วยรักษาต้นไม้ก็คือต้องรดนะ้าปนดินใส่ปุ๋ยดูแลมันก็จะร่มรื่นน่าอยู่น่าอาศัยเราอยู่แล้วไม่ช่วยกัน มันก็อยู่ไม่ได้เราหันตายเหี่ยวแห้งเราหันตายนี่เปรียบเทียบให้เห็นให้เข้าใจว่ากรรมาที่พูนใะนวันนี้ก็เหมือนกับต้นไม้คนที่มัอาศัยเช่นพวกนอก้องพวกไรสันสิงสาราศต่างหๆคือผู้อาศัยผู้มา ถเมกัร่างกายของเราก็คือร่างกายกับจิตใจพวกนกเขามาอยู่อาศัยทำรังและก็มายอะมาถือเอาว่าต้นไม้ของข้าใครก็มาอยู่ไม่ได้เขาไปไม่ได้กรรมกับร่างกายของเราเมื่อจิตป็ญญาณปฏิสุธิในร่างนี้แล้ว ด่อย่างกายไปของเราไปหมดตอนนี้ถ้านกมันจากต้นไม้นี้ไปแล้วต้นไม้ก็คือต้นไม้นกก็คือนกคนละส่วนกันชัดเจนมนุษย์หรือคนก็เหมือนกันจิตพอแากร่างแล้วจิตก็คือจิตคนก็คือคนคือร่างกายเหมือนไดไปเทศในวันนี้ก็เป็นร่างกายส่วนจิตที่มาอยู่อาศัยนั้น ไปไหนไม่รู้แต่ว่าก่อนหน้านั้นยึดถือยึดเอาหมดที่เป็นตัวเป็นตนที่ในรูปในร่างหูตาจะหมูกลิ้นกายตาของเราหูว่าเราจมูกของเราเป็นของเราหมดกลายเป็นเจ้าของต้นไม้ตนม้นนี้แต่นี้ถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วมันคนละอย่างคนละส่วนกันเมันกับนกถ้ามันบินจากไปแล้วมันก็ไม่เกี่ยว ม่ไเกี่ยวกับมายอะไรกฎหมายเขก็ อ, อยู่เขาเนี่ยจิตของเราก็เหมือนกันถ้ามันมาเกาะมายึดมาถือมาติดในรูปร่างกายธาตุสี่ขัห้ารูปเป็นนาทิ ย, ยาทั้งการนิ ย, นยาตาหูจมกูกทิ้งกายรูปเสียงมรูปโภะซึ่งก็คือตัวเราตัวเราคือตัวคนตัวมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยมันไปยึดเพราะสิ่งนอนนี้คือยึดมากก็ได้มากก็ไปว่าได้ทุกมาก ยินน้อยกระไรทุกน้อยยินในทุกน้อยแต่ก็ไม่ยินเสเลยไม่ก็สบายแต่ก็ไม่ใช่ทางเรื่องที่ตทำได้ง่ายๆนั้นถ้าเราไม่พิจารณาธาตกันของตัวเองเลยคือไม่มองตัวเองพวกง่ายๆเราก็จะไม่รู้จักตัวเราเองว่าตัวตนที่แท้จริงเราเป็นอย่างไรที่มันแสดงเกียรอาการออก แตรื่องจะเป็นเรื่องของความโบกของโกของหลงก็จะไม่รู้นั่คือกิยาอาการของจิตที่มีอยู่แต่ว่าจิตจริงๆมันโปร่งใสไว้ทั้งจิตเดิมจริงๆมันโปร่งใสมันไม่ได้เกี่ยวข้องเราพวกนี้เลยแล้วมันจอนมาพวกนี้มันมาเพิ่มมาเติมในหล่ะเหมือนกับสมบัติข้าวของเงินตองของไม่ค่าเหมือนเสื้อผ้าผลทเรามีอยู่ก็หาเพิ่มมาเท่านั้นสุดท้าย มันอยู่ในห้างมันก็ไม่เป็นไรก็รู้ว่าเป็นเสื้อเป็นผ้าพอซื้อมาเอาเงินแลกมาสวมใส่แล้วเป็นของเราไม่ได้ทีนี้ใครเอาไปไม่ได้เดือดร้อนก็ไม่ได้ก่อนหน้านั้นมันก็ไม่ใช่แต่ถ้าเราวางใจเป็นกลางโอ้ไม่เป็นไรเมื่อก่อนมันก็ไม่ใช่ของเราเมื่อมันอยู่ของเราแต่มันจะหายมาชำรุดมาอะไรก็เป็นไรมันก็หามาได้หาใหม่ได้เพราะทําใจเป็นกลางตทีนี้ อย่างนี้สบายคิดตรงนี้สบายแต่คิดแบบยึดถือเป็นเจ้าข้าเจ้าขว อ, อลำบากเดือดร้อนนะพอความคิดก็ไมาเป็นสุดท้ายก็จะเดือดร้อนเพราะความคิดของตัว เ, เอเราไม่มีวิธีการที่จะจัดการกับความคิดของตัวเราสุดท้ายเราก็จะเดือดร้อนนะ เ, เคยพูดอยู่เสม อ, อความคิดมันเป็นปัตตมเหตุเป็นบต้นเลยเปนตัวจุดชนวนเพราะนั้นเราคิดดีทุกอย่างมันออกมาดี ถ้าคิดไม่ดีทุกอย่างก็ออกมาไม่ดีอะความคิดสุดท้ายกลายเป็นการพูดและการการะทำํำมันที่จะเป็นตามมาเมื่อมันคิดดีมันก็ออกพูดมดันดีคิดไม่ดีมันก็พูดออกมาไม่ดีเห็นไหมมันเป็นมันเป็นผลเป็นอนานุสงขันตอนต่อมก็แปลว่าถ้าคิดดีพูดดีสุดท้ายการะทาส่วนการการะทําคือพฤติกรรมคือลงมือกระทําอย่างนี้เรียกว่ากรรมก ครบองค์ประกอบอย่างนี้รกรรมถ้าคิดไม่ว่ามโนกรรมนันไม่มีผลเท่าไหรไ่ไม่ผลต่อคนอื่นแต่มีผลต่อตัวเราเองทําจิตทั้งร้อนมันเศร้าหมองไม่ผ่องใสเครียดหน้าดำกล้ามแข็งไม่ผ่องใสไม่เบิดปาน <c oughs> เนี่ยมโนกรรมมัไม่เป็นกรรมทางใจหรือวิจิกรรมอันนี้เป็นมีผลละเพราะามาันการแสดงออกแล้ว เซลทางวาจามนมีผลกระทบล้ผลกระทบผลสะท้อนกับมาหาตัวเองไม่ได้เป็นกรรมไม่ใช่กรรมเฉพาะตัวเองนะที่นี่ปฏิกรรมข้างนอกมันคูกกรณีด้วยวาจิกรรมกายกรรมกายกรรมแล้วก็เมนกันก็ทำแล้วมันมีผลเพราะนั้นคนที่คิดขโมยอย่างนี้นคิดเองไม่คิดไม่ดีแต่มันไม่มีโทษทางกฎหมายแต่มีโทษทางธรรม แต่ถ้าพูดไม่ดีอย่าพายไปด่าว่ากันดูหนึงเนี่ยเป็นโทษแล้วนี่ไปลงมือลงไม้อี้ยทำร้ายร่างกายกันกันนี่เป็นโทษแล้วลลเพ ร, ราะ น, น, นั้ น, น, ว, น, นวาจาคือกายวาจาเนี่ยสำคัญต้องใจการต้นนี้บางต้นกายวาจาตัวที่ควบคุมได้ดีที่สุดคือเสียงถ้าเรา ประพฤตล่วงเกินละเมิดกายวาจาอะไรกันนั่นแปลว่าเราละเมิดศีลก็คือกายไม่ปกติวาจาไม่ปกติมันไปล่วงละเมิดคนอื่นเขาไปละเมิดละเมิดศีลของคนอื่นเขามันเป็นโทษออกมาแล้วเห็นไหมคือโทษทั้งหมดเกิดจากก็เกิดจากตัวเราเกิดจากตัวเราทั้งนั้นจะไปโทษปัจจัยปัจจานาคคนนั้นคนนี้คนนู้นไม่เกี่ยวกันนั่นเป็นเรื่องของตาหูจมูกหรือกายใจของอื่นเขา ถ้าเป็นต้นไม้กัต้นไม้นไมคนอื่นม่ได้ต้นนี้มันไม่เกี่ยวกันต้นไม้เป็นสารพัดต้นคนก็มีสารพัดคนนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ยึดหลักการอย่างนี้ก็เอาใจใส่ดูแลต้นไม้ต้นนี้คือตัวเราเดูตาหูจมูกท่าคิดว่าตาหูจมูกร่ากายเป็นของตัวเองแล้วทําไมไม่รักษาแล้วทําไมไปปล่อยปะละเลยให้มันไปอยู่ปล่อยไปตาวอาเภอใจ จิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อรู้ว่าในตัวของเราแล้วทำไมแม่จิตอยู่กับตัวเราปล่อยให้จิตไปเที่ยวไปไหนก็ไม่รู้กายอยู่นี้จิตวันวันหนึ่งไปเที่ยวซารพัดไปได้ทั่วโลกไปแป๊บเดียวไปได้ทั่วโลกเห็นไหมความสำคัญของจิตมันสำคัญมากๆาแต่เคยไม่เคยฝึกจิตเลยเคยดูจิตไม่เคยพิจารณาโทษไปมันมหันต์มากมที่ธรรมดา มันร้ายเรยกว่าที่เราคิดเอาไว้เมื่อต้องไปรู้เมื่อวันหนึ่งจิตอันนี้มันเลต้องออกไปข้างนอกกันดีคือเมื่อรูปร่างกายธาตุทั้งสีามันแตกดับลงไปแล้วจิตหรือว่าวิญญาณขึ้นมาแล้วรู้มันก็จะต้องออกไปแน่นอนมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันเลยแต่กายเ น, น่าเน่าเสียเป็นปุ๋ยเป็นสารพัดไอ้เขาเผาเขาฝัง ไปตามๆเมือนที่ไปร่วมงานในวันนี้มันเหลือแต่ความดีความไม่ดีเท่านั้นนะที่ติดตัวไปอย่างนี้ที่ว่าความดีความไม่ดีคมมดใครเป็นคนทําไม่มีใครอื่นําให้เราควาสะดวกง่ายๆก็คือที่เราเดือดร้อนก็ดีแต่เราอยู่ดีมีสุขนี่ยก็เพราะว่าตัวเราเราดูแลตัวเราได้ดีขนาดไหนก่อนนั้นก็ที่ว่าอยู่ดีมีสุขแต่ถ้าไม่อยู่ดีอยู่ไม่ดี ไม่มีสุขเลยก็ก็ต้องถามมันเกิดจากอะไรก็เ <c> ก <oughs> ิดจากตัวเรา <c oughs> มาู้ว่ยก็จะทดลองต้องแก้ไขแต่นี่ไม่ใช่ทำหมดเไปบน p a อ e r อะไรก็ไม่รู้เราไม่มีการแก้ไขประคุณตัวต้วตาตัวเองเราจะไปโทษปัจจัยภายนอกไม่ได้พระเจ้านั้นเวลาทำแก้ไขแก้ไขในตัวทีเองเหมราปฏิบัติท่านก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างสารพัด ที่ละทิมีอยู่ในขณะนั้นในสมัยนั้นที่เขาทนราตระกรมทุกมิติทางเพื่อหาทางหลุดพ้นไปห น, อนือจากสิ่งเหลนน่านี้หาทางออกหาทางออกที่ตะทำไงก็ได้ที่ให้มันไม่เกิดไม่เกิไม่จ็ไ ม, ไ, มไม่ตายแต่มันไม่มีไม่มีเพราะอะไรเพราะว่ากายนั้นเป็นธรรมชาติของมันมันต้องเกิดต้องเกิต้องเจ็บต้องตายอยู่อย่างนี้ตลอดแต่จิตนัมันไม่ใช่ แต่เพื่ อ, เอนเรไม่ค่อยรู้เรื่องจิตรู้แต่กายอย่างเดียวรู้ก็รู้ไม่จริงด้วยนะรู้แบบรองหอกรู้แบบต่างคนต่างยึดตั้งถือเป็นเจ้าของมันไม่รู้จริงคือรู้จริงก็หมายครับว่ามันไม่ได้รู้ทะลุผูกงงอย่างจริงจังเหมือนตัวเราที่อยู่ข้างในเราเคยดูไหมเราเคยพิจารณาไหมที่มันอยู่ข้างในจริงๆริงก็จะได้สวดกัน อา ก, การ32ล้วเคยพิจารณาแต่ละเรื่องแต่ละตัวแต่ละข้อไหมกายของเรานี่เลยวก็ไล่ไปเลยตัดไปเส้นพุงลายน้อยลสย ใ, ใหญ่ของเน่าของหมู่ของเสียอุจจาระปัสสาวะไล่มาหมดอะแต่อาโคจรงิงเราเราไม่รู้เลยมันไม่เคยเห็นไม่เคยพิจารณาเลยเพราะนั้นเราจึงไม่เห็นของไม่ดีในตัวเราคือของเน่าของเสีย ส่วนของดีข้างน่า ก, ก็แก้ไขปรับปรุงกบกันเข้าไปมันมันสุขภพก็ขับน้ํชำชาระทุกอย่างผมขนเล็บฟันหนังที่มีอยู่ในตัวเราเราก็ชําระคือทำความสะอาดผมก็สระทำความสะอาดผมขนเล็บแล้วก็ตัดฟันกระแปรงหนังก็ชำระผมก็เล็บฟันหนัง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 ผิวหนังเราไม่ต้องอาบทำงานท่าางวันนอนเราไม่ต้องอาบยู่ไม่ได้แต่เราก็ไม่เคยมองเป็นสาระจริงๆว่ามันไม่สะอาดเรากลั บ, บมองว่าสะอาดสาดสะอา ด, อาดจิตมันสั่งอยู่อย่างนี้แต่มันก็ต้องการแต่ควาสะอาดผู้ชายก็ต้องการผู้ิตที่สะอาดผู้หญิงต้องการที่สะอาดก็คือสุภาพนั่นเองคือยังมองว่าสุภาพอยู่ ถ้ายจิตมันก็ยึดมันถือมันเป็นที่ม า, าความรักให้พอใจยินดีซึ่งกันและกันแต่ถ้ามองถึงความเป็นจริงอย่างนี้ว่ามันเป็นอสุภะจริงๆมองจากเพรียวังให้ทะลุเข้าไปข้างในถึง ต, ตับไตเส้นพุงลำเส้นน้อยลาเส้นใหญ่อุจจาระปัสสาวะที่มีอยู่เห็นหมั้ยแหวกออกมาเพราะอย่างนี้เราจึงไม่เกิดปัญญาคือมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ เรามองได้แค่ถ้าพูดง่ายๆคือผิวเผืนผิวหนังยังไม่ทะลุเข้าไปพูดง่ายๆส่วนข้างในยังไม่ลึกพอเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคยพิจารณาเรืองอย่างจริงจังจิตมันก็ยังไม่วางมันไม่ถือเหมือนนกบอกมาเกสุดท้ายมันก็ถือหมดกิจการสาขาทั้งม้เั้งมาเกิดถือหมดจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยความสุขความสุขของคนสิ่งที่เราป้อนเข้าไปเท่านั้นข้าวปลาอาหารน้ํา สารพัด ท, ที่เราป้องเข้าไปเกิดจากเราป้องเข้าไปท่านั้นวันดีๆสุภาษก็อยู่ตับไตแส้ปุ่มเช้สอยแล้วก็ขับออกมาอมาอย่างนี้หมุนเพียนไปในแต่ละวันอยู่อย่างนี้โดยไม่รู้จักเบื่อนะเราไม่เคยบ่นว่าเบื่อเลยเบื่อแบบโอ้ขี้เกียจกินข้าวาไม่เคยเลยขี้เกียจกินน้าไม่เคยบนแนะนะ่ถ้าอยากรู้จักทุกนี้ครูอาจารย์บอกว่า ในช่วระยะเวลาที่ปฏิบัติจริงๆก็ให้ดูเรียบททั้งสี่ให้มันเข้มข้อนหน่อยแล้วก็ดูเรื่องการการอยู่การกินการกบการฉันพยายามไม่จะผ่อนผ่อนจากเ ย, เยอะให้เป็นน้อยๆเช่นกินเยอะก็กินให้มันน้อยลงข้าวอาหารเหมือนกันน้ําก็เหมือนกันจากฉันหลายมือ้อเหลือสอมือ้อเรือมือ้อหรือสองสามวันต่อมือ้อ เราจะเห็นทุกข์มากขึ้นชัดมากขึ้นทุกข์ในตอนนี้คือเวทานาซึ่งปกติแล้วมันไม่ ป, ปรากฏตัวพอปรากฏตัวปุ๊บฉันหิวเนี่ยเอาด้มาเติมใส่ละหิวนว้ำน้ำเติมหิวข้าวข้าวเติมมันก็ทุกขรนั้นดูมันจะหายไปแต่จริงมันก็ไม่ได้หายเพียแต่แก้อาการเฉพาะไปวันๆเดี๋ยวแก้ปัญหาในชีเิือระจวันไปวันๆตั ว, วตอนนเองแต่เรา ไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเพราะเราทําเป็นประจําจึงมองไม่เห็นหากไม่อมองไม่เห็นก็แปลว่ามันไม่เกิดปัญญาในสิ่งเหล่านี้เพรอกลายเป็นทํามันชีวิตประจำวันทั้งนต่ของพวกนี้ใจะจะบอกเราเป็นเป็นภาระอันหนักที่ต้องดูแลต้องทําอยู่นี่เป็นประจําแล้วจะต้องทาอํามาเห็นกับเพ่อสิ่งเหล่านี้ปจัจจัยที่ที่นาทั้งหมดก็เพื่อปัจจัยสี่ จริงนเราหามาทั้งหมดตลอดทั้งวันตลอดทั้งชีวิตก็เพื่อสิ่งเหล่านี้แต่เราก็ไม่รู้จะเบื่อขับอะไสิ่งไหนพยายามที่แสวงหาให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่รู้มากเท่าไหร่กันจะพอคือมากเท่าไหร่มันก็ไม่พอมันก็บอกว่าชีวิตไม่พอกับปัญหาคือความอยากพยายามเวลาไม่พอความต้องการมีเท่าไหร่ก็ไม่พอความต้องการของมนุษย์ ความอยากอะไรก็เหมือนกันมันไม่เค ย, ไ ม, เคยไม่เคยเต็มนามห้ยหนะ่อกองบึงทะเลแต่ ม, มันยังมีเวลาเต็มแต่ความอยากของมนุษย์ไม่เคยเต็มพร่องอยู่เสมอมันพร่องอยู่เสมอมันไม่เคยเต็มเลยเหมือนโองคมเหมือนถังอื่นๆแต่มยังมีเวลาเต็มเราตักมันต้งเรรู้จักพร่องแต่นี้ไม่มีเลยไม่เคยเต็มเลยนี่คือตัณหาแล้วความตัณหาตอนนี้มันเป็นที่มาของคนทะเ ย, ยนะเนี่ย ปัญหาคือความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นอยากได้ก็เปที่เราเห็นกันคนนี้เป็นที่มายของว่าโลภคือความโลภมันก็คืออยากได้นี่คือโลภโทรศัเมื่อมันไม่พอใจอได้ไม่ได้มันก็ไม่พอใจเกิดโทรศัขึ้นมาตัวสุจท้ายก็มองความหลงอันนี้หนักเลยมันเป็นนามธรรมมองไม่เห็น โลภะพอะแสดงออกได้โทสะพอเห็นตัวได้แต่โมหันนี่มองไม่เห็นเลยนะถ้าไม่มีปัญญาเกิดขึ้นแล้วยากที่จะมองเห็นสิ่งเหล่า น, นี้ตามสภาวะความเป็นจริงมองเห็นหมายถึงเห็นที่มาของมันเห็นที่อยู่ของมันเห็นที่ไปของมันก็คือเห็นการเกิดขึ้นเห็นการตั้งอยู่และเห็นการดับไปของมันไม่มีเลยเมื่อกระบวนการอันนี้ไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันก็แปลว่าความทุกข์ก็ไม่มีทางดับ เพราะนี่คือกระบวนการดับทุกข์ในชีวิตประจําวันเหมือนกับเรากินค่าเราไปกินเข้าไปต่อมากันมันก็ดับไปในในในดับหนึ่งคือเวทนาเพราะเวทนาหรือความหัวถือว่าเป็นเวทนาอย่างหนึ่งที่มันปรากฏเราเห็นเนี่ยกระดับกันไปซึ่งมีอยู่แล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารมีอย่างทั้งสีห้าตัวมันมีอยู่กับเราตลอดเวลารูปเราเห็นชัดเจน เดินไปเดินมาสวนไปสวนมาแต่ว่าสักแต่ว่เห็นเท่านั้นนะคือเห็นได้คือได้ว่าสัญญ า, ารู้เป็นรูปรู้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้รู้าอะไรชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อนู้นรู้แต่รู้แล้วเกิดปัญญาเนี้ยไม่เกิดเพราะอะไรแล้วมันเคยยกสิ่งนี้ขึ้นมาพิจนะารณาในเวลาปฏิบัติจริงๆเกิดยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้มนเกิดปัญญากับสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยเลยก็ได้แต่สัญญาคือจํา แต่ก็ยังดีไม่ได้ว่าจําดีคือจําเรื่องที่ดีตรงกันามถ้าจําเรื่องที่ไม่ดีได้ลําบากอสัญญาไม่ดีมันยาสัญญาไม่ดีก็บอกแล้วมันไม่ดีมันเน่ามันเสียมันลบมีเท่าไหร่ก็บอกก็แล้วมันลบก็มันหายไม่หมดมันไม่ีเพิ่มมีแต่ลบคือลดลงลดลงลดลงสุดท้ายก็บอกไมเห็นความดีสักอย่างเลยกันเพราะเรามองเห็นแค่ลบ เชนเราไม่ชอบคนนี้ก็แปลว่าเรามองคนนี้อย่างนี้เราคือไม่มีความดีในสายตาเราเลยมันลบมันคือลบออกลบออกลบออกต้ทงทาง่าที่ความไม่ดีกับความดีมันก็อยู่ด้วยกันไม่มีคนไหนที่มีความดีอย่างเดียวไม่มีมนุษย์คนไหนที่มีความไม่ดีอย่างเดียวในตัวคนคนเดียวกันไม่มีเลยแต่เอาควจริงเรามองมองเด่น มงังในความดีอย่างเดียเวลาชอบกันกับมองแต่ความดีอืมโอ๊ยคนนี้มันดีอย่างนี้นดีอย่างนี้ดีรลน า, าไปแต่ถ้เกิดมันชอบคีดหนา้ากันมานะโอ๊ยมันแย่จริงๆนั้นได้ไห ม, มันก็จะพูดอย่างใดอย่างหนึง่งฝ่ายใดไปายหนึ่งนั่บอกเพราจิตมันมเป็นกลางจิตมันมเป็นกลางเพราะนั้นการปฏิบัติของเราต้องการเบื้องต้นจริงๆคือต้องการให้จิตเรานะวางอารมณ์ท้งสองอย่างคือความสุขความทพอใจไม่พอใ จ, อใจแล้วนั่งอยู่ตรงกลางจริงๆ นั่งทำกลางโดยไม่ต้องสนใจนั่นคืออุเเปขารารมคือกวาดอรารมณ์ให้มันเฉยๆมีอยู่ตรงกลางเมื่อเราไม่เข้าข้างอย่นี้เราจะเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของเรามากขึ้นเหมือนลูกเนี่ยเราไม่เอาใจลูกไปมากเกินไปเพื่อนผูกก็เหมือนกันนิชิตพูดยังไงก็เชื่อหมดตามไปไหนบอกไปไหนก็ไปแล้วกันไม่เคยขัดใจเลยนะจิตของเราเนี่ก็เหมือนกันเราไม่เคยขัดใจตัวเราเอางเลย อยากอะไอะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรพยายามที่จะทำ <c oughs> ที่จะไปสู่จุดนั้นให้ได้โดยที่ไม่ได้เคยพิจารณาใดๆเนขอพระยินะัมันก็ตามมาเนะี่เป็นั้นทั้งหมดทั้งมวล น, นี้ที่อยู่ตัวเราอะแือว่าเป็นธรรมะชั้นยอดเป็นธรรมะชั้นสูงทุกเรื่องที่มาติดอยู่เราเรื่องควาภายในออกกระชินเสื้อผ้ออาอวบอื่ น, นๆนี่มันร่นเป็นธรรมะทางนั้นอสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ ของปกปิดร่างกายไม่ให้มันอุดจัดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งค่าไว้อย่างนี้เสื้อผ้าอ่อลอย่างไรก็ได้ค่อห้มันสะดวกสบายสุภาพเรียบร้อยมันจะเป็นต้องแพงมันจะเป็นตังของมียี่ห้อจริงๆแล้วมันมียี่ห้อทุกการมียี่ห้อเท่านั้นแหละแต่เพราะเราคำว่ายี่ห้อคือยี่ห้อดังท่านันเองถ้าเราตั้งตัวอย่างนี้มันก็จบเพราะฉะนั้นถ้าเราถอดหมายถ้าเราถอดออกอย่างนี้ออก แต่ละคนตอดออกหมดตอดซื้อพระาอาบอดออกมันก็เหมือนกันหมด ม, มันนี่อะไรต่างกันเลยมันไม่นใช่รูปร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาเนี่างนี้ในทาทมธรรมในตามพระบอกว่าให้พิจารณาเรื่องอย่างนี้บ่อยๆโดยเฉพาะอย่างนี้คือถ้ามันเกิดเป็นนิมิตได้เป็นการดีคือบางคนบอกว่านั่งภาวนาแล้วเห็นตัวเองไปนั่นคือความกลัวพอวเห็นแล้วก็บอกจิต มันจิงมาออกจากร่างนั่นน่าจะเป็นมันเรื่องของธรรมะ เ, เกิดขึ้นแต่เราไม่ไม่อาศัยสิ่งเหล่านั้นไม่มองเป็นธรรมะกลายเป็นความกลัวสุดท้ายสติวิปลาสคือเห็นสำคัญปีจิตเป็นจริงเกิด ค, ความกลัวกวามตนกอกมก็กลายเป็นสติวิปลาสแต่เราใช้ใช้เป็นประโยชน์คือยกขึ้นมาพิจารณาอันนี้วันหนึ่งข้างหน้ามันก็จะ เราหายตาจากมันก็จะหมดไปเจ้าึ้นมาเป็นแบบมันเป็นแค่สัตว์นิยมตั้เองมันก็บหมือนความฝันที่เกิดขึ้นกับเราที่มันเกิดขึ้นครับนิเมิตมันเกิดขึ้นกับว่าจิตมันเกิดความสงบความฝันมันเกิดจากจิตที่มันหลับไม่สนิทซึ่งจอกันข้ามคนที่ฝันคือหลับไม่สนิทมันเป็นภาวะของจิตจิตมันยังรับรู้แต่มมนสะมาติถ่ายทอดท้งผู้ทางตา ก็ยังบดได้ทั้งนั่นเองเอามาเป็นภาพข้างในเรียกว่ามโนภาพเรียกว่าภาพในใจเกิดจากใจเกิดจากอะไรเกิดจากสัญญาสัจจคานเกิดจากวิญญาณมันปงมาแต่งต่ออันนี้เป็นเรื่องของมโนภาพเพราะฉะนั้นตัวที่จะไปข้างหน้าคือตัวนั้นเลยเมื่อร่างกายในยแต่ดับไปแล้วเมื่อต้นไม้นิ่ล้มไปแล้วนกก็ต้องออกไปผู้อยู่อาศัยในต้นไม้ต้องก็ต้องออกไปไปไหนแต่เนี่ย เมื่อร่างกายแต่ดับแล้วจิตมันไปไหนก็อยู่ที่ว่าจิตมันมีต้นทนมากน้อยแค่ไหนไปได้ไกลแค่ไหนเย่า mm hmm. ะนั้นต้นทุนของจิตใจจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดจะไปมุ่งไปวางในเรื่องธรรมากินจนมากเกินไปนจนสุดท้ายเราก็ใช่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้จะอะไรจากการเกิด กันแก่กันเจ็บกันตายพูดง่ายเกิดฟีเจ็บฟีตายฟรีไม่ได้เล ย, เลยจริงเสืองหามาทั้งหมดที่เราเข้าใจว่าเราได้แท้จริงมันไม่ได้อะไรเลยนีแต่เสียกับเสี ย, ยางานในเบื้องทางโลกที่อยู่ทางโลกนั้นมันไม่มีอะไรได้มีแต่เสียกับเสียส่วนทางทำนะั้นถ้าทำแล้วมันได้อย่างเดียวไม่มีเสียถ้ามันเจริญแล้วมันมีเสื่อม มันจรเินไปข้างหน้ามันจะได้กลับได้นะเนี่ยความความสำคัญมันมาต่างกันอย่างนี้คือเปลือกสมกาัฏสติสตางมันต่างกันตรงนี้สตางมันหมดได้มันหายไปได้แต่สติี้ามันเกิดขึ้นในตัวแล้วแล้วถ้ามันเป็นสติปัญญาแล้วคือมันรู้ตัวนี่คือมันมีปัญญาพูดง่ายๆปัจจัยคุ้มครองดูแลตัวเองได้ที่สําคัญนั้นยังไม่พอยังเป็นที่พึ่ง ของคนรอบตัวรอบข้างเหมือนครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบแล้วมันประโยชน์ไม่ได้ตกตัวที่ท่านอย่างเดียวผลประโยชน์ตกคนรอบตัวรอบข้างซึ่งคือผู้เราคนสุดทา้ายภายหลังสามารถเป็นที่พึ่งทางใจได้ซึ่งต่างกับคนมนุษย์คนทั่วไ ป, ม, ม, ป, ม, ปมีเป็นบ้านเราก็มีเป็นไม่รู้กี่ห้าสิบล้านตัวที่เป็นที่พึ่งทางใจได้จริงมีสักกี่คน มันยากนะมันไม่ใช่ธรรมดานเพราะฉะนั้นที่เราทําอยู่นะเราทํำสิ่งที่มันยากยากมากๆซึ่งคนทั่วไปทําไม่ได้เหมือนวันนี้ในขณะทีนน่คนทั่วไปเขาไปสนุกสนานเฮฮาคนส่วนใหญ่แต่ว่าคนส่วนน้อยคือเราเรากลายเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรสิ่งที่เราได้กับสิ่งที่เขาได้มันต่างกันโดยที้เชิงสิ่งที่เขาได้น่ะมันที่จริงมันไม่ได้เลยไม่นจะเสียกับเสียซึ่งต่างกับพวกเรา สิ่งที่เราได้จากการได้ยินได้ฟังกันนั่งทนถึงไม่ได้เลยอย่น้อยก็สิ่สมาธิได้แล้ว ป, ปัญญาในระดับมันก็ได้อย่แล้วอันนี้นคือปฏิปทาด้วยแนวทางในการปฏิบัติที่พระเจ้าฝากเอาไว้ให้พวกเราถ้าพวกเราไม่ปฏิบัติตามพูดว่าคือไม่เดินตามแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงไม่ขยับเลยอยู่ที่เดิมที่เดิมอยู่เลยแล้วมันจะไปถึงวันนั้น ให้เราดูปริบัติทั้งสเ <c oughs> หมือกนการปฏิบัติของเราคือปฏิบัทั้ง4จริงๆเราเว้นกันนอนกันเรือสามันเองคือยืนเดินนั่งทำยังไงก็ได้ให้ปฏิบัทั้งสนี้ประกอบไปด้วยสติคือมีสติกรรํากรรับให้มันมากที่สุดเท่าที่มากได้ถ้ามันเผลอเรือก็ดึงเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดึงเข้ามาเ้าเรียกคํำบริกรรมหรือกอุปนะัชฌนาอะไรก็ได้มันดึงเข้ามากุฏูดตะโมสังโฆอะไรก็ได้ มันไม่สูตรเราหมายใจเขาลงเนื้อสติมันกระาตัวแล้วให้มัมนจะติอยู่กับเนื้อกับตัวเราแค่ได้มีสติมากเหมือนกับมีสตั ง, ตงกับตัวมนันจะมีประโยชน์แต่สตางที่อยู่กับมีแต่มันอีบนโลกับเนี้ยอยู่กับคนอื่นมันไม่มีประโยชน์ต่อเราเราก็ใช้ไม่ได้สติเนี่ยหมือยกันถ้ามันแน บ, บอยู่กับตัวอยู่ใกล้ตัวเหมือนเงินอยู่ในกระเป๋าเราจะใช้เมื่อไรใช้ยังไงก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีสติเลยก็เห ม, มือนกับมันมีสตางอยู่ในกระเป๋า ก็จะชัยอะไรสุดท้ายมันก็ตกเป็นธาตุความโลภะทุศรรมหะความโลภความโกรธความหลงมันก็ครอบงําเพราะเราไม่มีสติปัญญาดูแลพิจารณาในสิ่งเหล่านี้ก็เราจึงกกลายเป็นธาตุสิ่งเหล่านี้ซึ่งเราก็เป็นอย่างนี้มาตลอดไม่รุกีพุทธิชาติมาแล้วแต่เราก็ไม่รู้จักเข็ยนไม่รู้จักลายังปรารถนาที่อยากจะให้มีอยากให้เป็นอย่างนี้อีกไม่รู้จบรู้สิ่ เพราะนี้ก็คืออวิชชานี่คือโมหะที่แท้จริง ม, มงนันเป็นโมหะคือหลงเคยเปรียบเทียบไปฟังเสมอว่าขนาดนี้เราเป็นคนหลงทางเกิดหลงวัะตตสงสารไม่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมธมดาไม่ใช่ทางสั้นๆแต่ระยะทางที่เราหลงมันยาวนานมามากๆเราท้าจําได้เลยพ ก, ก็สัจ 2,000 กว่าปีมาแล้วไม่ไปไหนมาไหน เวียนหไหายต่เกิดขึ้นหลองกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นกลับมาที่เดิมแลครับไม่ไปไหน ไ, ไปใครเลยนะใช่ไห ม, มก็เพราะว่าเราไม่มีสเสบียงกันพอมันมีกําลังพอไม่มีสติปัญญาพอเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ววันนี้ถือว่าโชคดีที่เราได้เจอพุทธศาสนาเจอครูบ า, าอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีประชร้านหลายองค์เราได้ยินใน้ฟังอย่างได้ทันแต่ก็จะประมาทแล้วครูบาอาจารย์ก็เริ่มร่อยล้อ ลดน้อยถอยลงไปอายุที่มีเยอะๆจาก90สปี80ดสิบปีเจ็ดสิบตอนนี้ก็น้อยลงมาลงมาลงไปถึงยุคผู้เรานะน้อยแทนบนับ อ, องค์ได้จะเป็นพอที่พึ่งทางใจของเราอย่างแท้ จ, จริงเป็นอย่างเป็นอย่า ง, เ ป, งเป็นต้นแบบจนจบยิย่งน้อยลงันนั้นถ้ามามวลแต่เวลาเมื่อไหร่เมื่อนั้นเมื่อนี้ค่อยไปค่อยหาค่อยค่อยฟังมันไม่ได้นั่นคือความประมาทนั่นคือมาน โดนแจ้งเราไม่ให้ทำความดีกี่ขั้นความดีอย่าไปเชื่อฟังมานความดีนึกเมื่อไหร่ทาเมื่อไหร่พวไหี้เป็นความดีทันทีตั้งรีบพูดคิดทําทันทีต้องคัดค้าน ข, ข, ข, ขึ้นมาในใจตัวเองว่าไม่ได้ึเมื่ อ, อต้องเรียบทําทันทีอย่าประมาทเพราะฉะนั้นการทําบุญนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เป็นเงินด้ทองเงินไม่เกี่ยว เ, ยเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆต่างื่นง การทําบนที่เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ได้ลงทุนอะไรเลยคือใช้ของที่มีอยู่คือรูปร่างกายอันนี้เท่านั้นเองนี่คือประโยชน์สูงสุดส่วนเรื่องฐานนั้นเป็นเรื่องการสงเคราะห์การเอาเคราะห์ซึ่งกันและกันในการเอื้อเฟือเ้อแสดงความน้ำใจแบบ่งปันและที่สำคัญคือต้องการให้มนุษย์เรานะรู้จากการเสียสละเพราะฉะนั้นไม่รู้จักแต่เอาเอาเอาเอ า, เอาอย่างเดียวคือได้ได้ได้อย่างเดียวจะไม่มีคําว่าเสียอยู่ในสมองจะไม่มีคำว่าเสียอยู่ในจิต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 ซึ่งตัวข้าวาเป็นผู้รับผู้ใหยย้จะเป็นเน้าของผู้รับแต่ว่าผู้รับนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นเน้าของผู้ให้หรือเปล่าอันนีน้คือประเด็นราะฉะนั้นสึ่ง ท, ทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าเราทําเป็นนิสัยคือทําเป็นประจําทุกวันทุกวันมันก็สมามารถทีจะรับเกาจิตใจของเรานั้นนั้ น, น, นที่มันห่อหุอ้มด้วยกิเลสทาสาวะนาขึ้น แต่ที่เราเรียกกันติดปากว่าปุถุชนคือมันจะหนาขึ้นหนาขึ้นความคิดคาพูดการกระทําอันนี้สะสมเยอะๆซะเยอะมันก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นมันไม่เห็นจิตใจแม้กระทั่งความดีในตัวเราเขาไม่เห็นความดีคนอื่นก็เขาไม่เห็นมันก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นเนี่ยมันลำบากแต่ถ้าเราขัดใจขัดใจตัวเองบอ่บอยๆเหมือนกับขัดถูเช็ดทำความสะอาดมันก็ค่อยเจือจางเบาบางลงความเข้มข้นก็จะน้อยลง ความโกดมีก็จะน้อยลงความโลภมีก็จะน้อยลงความลงมีก็จะน้อยลงอันนี้คือเป้าหมายในการปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อขอให้เราได้โอ้ปฏิบัติกัรมานานสิปีจะไม่เห็นได้เลยได้ทำไมจะไม่ได้เพรนั่นคือศีประมาณที่มันได้แน่นอนถึงเมื่อมันไม่เกิดปัญญารู้แจ้งจริงๆตาสะเพรากับจก็ไม่เป็นไรขอให้เราอย่าท้ออย่าถอยปฏิบัติให้เชื่อฟังครูบาอาจารย์ว่าถ้าเราไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์แล้วไปเชื่อใคร คนชอบไปเชื่อจังเลยคนที่อะไรก็ไม่รู้สินสักตัวก็ไป ม, มีชอบไปฟังคนนั้นพูดว่าคนนี้พูดว่าถามว่ามีสินสักตัวมีสินไหมด่ากันชอ่ชอๆๆนั้นก็ไปฟังแล้วก็ไปจํากันมาเนี่ยแล้วมันดีไหมเป็นจําของไม่ดีมาแล้วมันก็บรรจุของไม่ดีเอาไว้ในใจแล้วใครเดืดร้อนเห็นไหมวันนี้เราคิดมันเป็นอย่างนี้เราคิดมันเป็นคิดแล้วทำให้มัเดือดร้อนก็จะไปจํา ให้จำแต่ความที่ดีๆเพราะฉะนั้นถ้าจะดูถ้าจะจำก็จำบุคคลที่เป็นเยี่ยงเป็นอย่างอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราไปดูไปกล่าวไปไหว้และจำปฏิปทาข้อวัดปฏิบัตินั้นเอามาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตัวเองเพื่อเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเป็นต้นฉบับเป็นแบบของเราสุดข้อดีๆไม่ต้องไปเรียนรู้ที่ไหนเลยไปที่ไหนก็เจอหมดไม่ต้องไปหาไกลใน ต, ตัวเราแบบมีทุกอย่าง ต้องไปหาดูที่อื่นแต่เฉพาะเอิญว่าเราไม่ดูมันเราเคยไม่เห็นมันเหมือนที่พูดกล่าวนำกำตม น, นาตัไตเสพภู ง, งอุจรัปสวรรคติมีอยู่เราก็ไม่เคยเห็นว่าโอมันน่ะลังเกียดมันเหม็นมันสกปรกมันโส ม, ม, มงขนาดไหนของเราก็ไปโทษไปอุรอปจรที่โอ้เป็นจมกูกปัสสาวะติโอเป็นจมูกเห็นขยะทีก็เดินนี้เห็นไหเแต่ที่ทเอิญโอ้พระเจ้ก็น้องมาโอ้ ของทั้งหมดนี่มันก็ตัวเรามันก็ยิ่งเป็นหนักกว่านี้เอีลองดูืิของที่มีอยู่ในตัวทั้งหมดออกมาจันลร์ลำไส้ไม่ต้องมากถ้าหัวไม่ขีดวงแตกเลยนะไม่ต้องมากเลยอุจจาระปัสสาวะออกมานิดเดียวอยู่ไม่ได้นไหมแบบร้อนเนี่ยของนอกของเสียเหมือนกัน ถ้าเรารู้ถ้าเราเห็นโอปรา ร, บบอริคโรมองกันจิตของเรานะถ้ามันเน่ามันเสียแม้ไม่มากแม้ได้น้อยมันก็เหมือนกันอุจระประเสรเหมือนกันคนอื่นก็รับไม่ได้ในพฤติกรรมเหล่านั้นของตัวเราเองดังนั้นก็พยายามไประมัดระวังสิ่งเหล่านี้โดยการแต่ละคนระวังตัวเองอย่าไประวังคนอื่นอย่าไประแวงคนอื่นอย่าไปแพ่งโทษคนอื่น จนชินจนเป็นอาจินจนเป็นนิสัยเพราะสุดท้ายมันจะติดมันจะเห็นปุ๊บเฮ้ยบอกโอ้ยมันแย่จังเลยนะทําไมเป็นอย่นี้เอามันจะออกด้วยจนมันเพราะมันเป็นนิสัยนิสัยเกิดจากอะไรเกิดจากคิดบ่อยๆพูดบ่อยๆทำบ่อยๆ ย, ย, ย้ำคิดย้ ำ, ยำทําอยู่อย่างนั้นมันจุดชินจนติดนะถ้าเราไม่ย้ำคิดไม่ย้ำพูดไม่ย้ำทำํามันก็ไม่เป็นนิสัยคือจบแล้วจบเลยนะ นักภาวนามต้องเป็นอย่างนั้นไม่ควรเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ายังใส่ใจมัน ย, ยังรับไม่ได้ปล่อยไม่ได้วาไม่ได้โอ้ยังหาไกลบาปโดยเฉพาะเรื่องคนอื่นไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะก็อย่างมาทําให้มันหมู่คณะตัวเองเดือดร้อนเยู่โอยยังอยาห่างไกลการปฏิบัติธรรมก็ชื่อว่าหาไกลจากพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อย่างนี้เราจะเชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาได้อย่างไร เพราะว่าอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าผู้เข้าใกล้ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัเมื่อเรานั่งใกล้ต้องได้รับประโยชน์ต้องรู้ต้องเห็นว่าพุทธเป็นยังไงปร ะ, ระร ธ, ธรรมเป็นยังไงพระยศสงฆ์เป็นยังไงแต่ถ้านั่งใกล้เฉยๆแลไม่ได้ประโยชน์เหมือนเรานั่งอยู่ตอนนี้นั่งแล้วไม่รู้จักกันเลยเดี๋ยวไปย้ายไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักคุณค่ากันอะไรกั น, นเลยดันั้นเราเข้าใกล้พระพุทธประธรรมประสงค์แล้วก็าจากคุณค่า คือให้เอาประพุธะทธธรรมประสงค์คือพระอิศสง์เป็นที่พึ่งด้านจิตใจอย่างแพ้จริงนอกจากนี้อย่างอื่นไม่มีเลยอย่าไปเอาเป็นสาระในชีวิตให้คิดอยู่นี้มันก็จะจบแลมันจะไปแค่ร์นั่นนี่นู่นซึ่งมันไม่ใช่วุธทธธรรมประสงค์พระถ้าทําอย่างนั้น ป, ปุ๊บคุณณสมบัติของวาสุบาสิกามันก็จะขาดทันทีคนไหนว่าเข้าใกล้พระพุทธเจ้า ข้อใกล้พระธรรมข้อใกล้พระสงฆ์มันไม่ได้ใกล้เลยมันก็ยิ่งห่างไกลจากพระพุทธพระธรรมและพราอริยสงฆ์นะมันไม่ใช่อาวุโสบริการนะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้การอาวุโสบริการต้องอยู่ใกล้จริงๆแล้วก็หาได้ประโยชน์จากการอยู่ใกล้แล้วใจเราก็จะเยนใจเราก็จะสบายเหมือนดีกว่าอากาศธรรม น, น, นี้อันนี้คือผลของการปฏิบาาัติธรรมของเราก็ขอให้เราทั้งหลายเราอยู่ใกล้แล้วขอให้ได้เย็น คือกายก็เย็นพอใจก็เย็นใจก็ ย, ย็นย น, นี่คือดับลนะเย็นนี่คือดับดับแล้วคืออนิพานแต่มากดับน้อยขนาดไหนดับจนไม่เหลืออะไรเลยดับจนชินเราจะปกตินล้ว ก, ลก็คือเป้าหมายในการปฏิบัติของเราคอยดับทุกวันอย่างน้อยก็ดับความคิดคำพูดการกระทำของเราดับไปได้กับเบรกหยุดไว้ในขนาดใดก็อ ย, อยังดีที่ก็ปล่อยให้ไปตามสัญญาอารมณ์ที่เป็นอยู่ ก็จะย้อนมืนลูกศรเว้นกระหาตัวเราเองและที่ควรดิ้นรนคือตัวเราเพราะนั่นต้องรับมัดระวังในเสียงตอนนี้ให้มากๆนั้นสรารธรรมที่นาํามาฝากผู้เราในวันนี้วันร้อยกระทงเขาสานุกสนานแต่เราไม่เป็นไรเราเอาธรรมะทำต้องเป็นใหญ่ไม่ใช่เอาโลกเป็นใหญ่ต้องทำต้องเป็นใหญ่ทำต้องอยู่เหนือโลกอย่าให้โลกอยู่เหนือทำไม่งั้นเดือด ร, ร, ร้อนใครเดือดร้อนก็ตัวเราเนี่ยเดือดร้อน วันนี้ฝากธรรมะทั้งหมดทั้งปวงนี้เพื่อพวกเราทั้งหลายได้เป็นโปรายอิโกน้อมกัามาแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันมันก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจยอย่างแท้จริงวันนี้ฝากไว้เพียงตรงนี้กน